ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนเสนอตอนที่หฟังเทศพระกรรมฐานบิดามารดาหวังพึ่งร่มกาสาวพัดและก้อนแห่งรัก หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเล่าประวัติของท่านในตอนนี้ไว้ว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นนมเราไปฟังเทศพระกรรมฐานอาจารย์องค์นั้นท่านชื่อพระอาจารย์ดีท่านเทศเกิงท่านเทศถึงเรื่องอิยายปากเป็นอิยายปากเปาะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่อง ร, รู้ราวเพราะกาลังเป็นนมอยู่จนใกล้จะบวชแล้วแหละพระกรรมฐานท่านเที่ยวมา มาพักอยู่ที่ราวป่าบ้านตากเราไปฟังเทศของท่านมันจึงจำได้ละสิท่านเทศท่านยกท่านชาดกขึ้นมาว่ายายปากเปราะนี้ชาติก่อนแกเกิดเป็นต่างุ่มงามงุ่มงามงคลุกคลานอยู่ตามบึงอาหารการกินก็ไม่บริบูรณ์ผงสองผัวเมียบินมาเที่ยวหากินในบุงนั้นมาพบเต่าเข้าก็าเกิดความเมตตาสงสาร กินอุทานออกไปว่าโอ้นี่อาหารก็ไม่มีจะทํำยังไงน้ําก็ไม่มีน้ําก็หมดสถานที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ฉันจะพาแจไปแจจะไปกับฉันไหมฉันจะไปกับพวกแจได้ยังไงฉันไม่มีปีกบินเหมือนพ่อแจนี่นาเต่าพูดขึ้นก็เพียงแจรักษาปากของแจให้ดีแจก็จะไปกับพวกเราได้รักษายังไงรักษาปาก เต่าถามขึ้นอีกครั้งหงสองโพูมียจึงว่าคือว่าเราทั้งสองจะไปนำไม้มาแล้วตัวหนึ่งจะคาบปลายไม้ไปด้านหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะคาบที่สุดไม้ไ้อีกข้างหนึ่งให้แจคาบอยู่ตรงกลางไม้นี้ไว้แล้วเราทั้งสองนี่จะคาบไม้พาแจบินไปให้แจเอาปากคาบไม้ไว้ให้จงดีแล้วเราจะบินไปส่งแจจะสามารถ รักษาปากของแกได้บ้างไหมหงทั้งสองถามเต่าขึ้นรักษาได้ของมันง่ายๆแค่นี้เต่ารับปากอย่างนั้นเอา้าวถ้าอย่างนั้นเราก็จะบินไปด้วยกันหงสองผัวเมียก็ไปเอาไม้มาให้เต่า้าบเต่า้าบแล้วหงสองผัเมียก็ผับินผ่านกรุงพาราณสีคนในพระราชวังมองเห็นก็ร้องโอ้ยมาดูสิมาดู มาดูหงหามเตา่าหงหามเตา่าหงหามเตา่าเขาคนทนากันเสียงดังลัน่นใครใก็รู้แล้วว่าหงมันมีปีกเข้าใจหรือเปล่ามันก็บินได้มันก็หามเต่าได้ละสิไอเตา่าไอปากเราะนี่สิมันสำคัญไม่มีปีกแต่อยากบวดดีบินผ่านไปทางไหนคนก็ร้องว่าหงหามเตา่าหงหามเตา่าหงหามเตา่หหา ฝ่ายเจ้าเต่าก็เกิดความโมโหฉุงเฉียวขึ้นมาละสี่จึงอ้าปากพูดขึ้นว่าโคตรพ่อคนแม่มึงไม่รู้หรือว่าเต่าหาผงพออ้าปากออกมาโม้ท่านั้นแหละโมยังไม่จบประโยคก็ตกตูม ล, ลงมากรงพระนศีร่างแตกรกระจายไปหมดเลยกระดองไปทางหนึ่งตัวไปทางหนึ่งหัวไปทางหนึ่งขาไปอีกทางหนึ่งตายในบัดเดี๋ยวทันที แล้วตายจากชาตินั้นเต่าตัวนั้นจึงมาเกิดเป็นอิยายปากเป็นอิยายปากเปล่าคนนี้อิยายปากเป็นนี้ไปไหนจะชอบพูดยุโยงส่งเสริมให้คนนั้นคนนี้แตกรา้าจากกันให้คนนั้นอย่าร้างกันถ้าเป็นสามีภรรยาก็ยุโยงส่งเสริมให้สามีภรรยาทะเลาะกันแล้วหาเรื่องว่าสามีไปมีเมียน้อยภรรยาไปมีผัวน้อยเอาเรื่องทั้งสองมาตีกันยุ่งไปหมด นิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าให้พากันรักษาปากนี้ให้ดีเรายกอุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพราะมันมีอยู่ในชาดกความปากเกราะไม่ดีให้ระมัดระวังพูดอะไรไปที่จะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่คนอื่นจงหยุดอย่าพูดให้ระมัดระวังไว้ไม่อย่างนั้นจะเป็นอิยายปากเป็นจะเป็นอิยายปากเกราะตกลงกรุงพระนศีกระดองแตกหัวแตก ขาขาดไปคนละทิศละทางอันนี้ก็เหมือนกันไปที่ไหนคนแตกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเข้ากับใครไม่ได้คนประเภทนี้ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้เป็นผู้มีแจใจเสียสละแก่กันและ ก, กันให้มีความให้อภัยกันอันนี้สําคัญมากนะ ลุงตามหาบุญยนสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านในตอนนี้ต่อไปอีกว่าสาเหตุที่เราจะได้ออกบวชซึ่งเป็นเหตุไม่เคยคาดฝันมาก่อนนั้นก็คือเย็นวันหนึ่งครอบครัวเรามีพ่อแม่และลูกชายลูกหญิงหลายคนมาร่วมรับประทานร่วมกันอยู่อย่างเงียบๆขณะนั้นพ่อพูดขึ้นชนิดไม่มีอะไรเป็นต้นเหตุเลยว่าไอเราก็มีลูกตั้งหลายคนทั้งหญิงทั้งชาย ลูกเหล่านั้นกูไม่ว่ามันแหละส่วนลูกผู้หญิงกูก็ไม่เกี่ยวข้องกับมันลูกผู้ชายก็มีหลายคนแต่นอกนั้นกูก็ไม่สนใจอะไรพราจะอาสัยมันได้แต่ไอ้บัวนี่สิที่กูอาสัยมันได้นะไอน้นี่ลงมันได้ทำการทำงานอะไรแล้วกูไว้ใจมันได้ทุกอย่างกูทำยังสู้มันไม่ได้ลูกคนนี้กูไว้ใจที่สุดก็มีไอ้นี่แหละเป็นคนสาคัญ แต่ตอนกูขอให้มันบวชทีไรมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนไม่มีหัวไม่มีปากนั่นเองบทเวลากูตายแล้วจะไม่มีใครลากกูขึ้นจากหม้อนรกเลยแม้คนเดียวถ้ากูอาศัยไอ้บัวนี้ไม่ได้แล้วกูก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนใจกูหวังอาศัยไอ้นี้เท่านั้นปกติพ่อไม่เคยชมเราอะไรๆ ไ, ไม่เคยชมมีแต่กดลงเรื่อยๆที่ใส่พ่อกับแม่เราเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอด พอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงปุบปรับปุบปรับพอแม่มองเห็นพ่อน้ำตาร่วงเท่านั้นแม่ก็พลอยน้ำตาร่วงตามอีกคนเราเห็นอาการเช่นนั้นก็เกิดสะเทือนใจทนดูไม่ได้จึงโดดออกจากที่รับประทานไปนั่งคิดอยู่คนเดียวนำเรื่องบวชไปคิดอยู่ตั้งสามวันไม่ยอมออกมารับประทานร่วมกับพ่อกับแม่ได้คิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยคิดเทียบเคียงถึงชีวิตเพื่อนฝูงที่เขาบวชกัน ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่บวชเป็นจํานวนมากท่านยังบวชกันได้ทั่วโลกทั่วเมืองไทยคิดว่าการบวชนี่ก็ไม่เหมือนการติดคุกติดตารางแม้เขาติดคุกติดตารางตลอดชีวิตเขาก็ยังมีวันพ้นโทษออกมาได้หมู่เพื่อนเขาก็ยังบวชได้และครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่บวชจนเป็นสมถานเจ้าวัดท่านก็ยังอยู่ได้เหตุใดเราเป็นคนทั้งคนพ่อแม่เลี้ยงมาเหมือนคนทั้งหลายอย่างอื่นๆ เรายังอดได้ทนได้แต่การบวชนี้มันเหมือนติดคูกติดตารางเฉลื อ, เ ร, อเราถึงบวชไม่ได้ทนไม่ได้เราทำไมถึงจะด้เอาเสียเอาหนักเอาหนาตามช้าเอาหนักเอาหนากว่าเพื่อนฝูงทั้งหลายถึงขนาดพ่อแม่ต้องน้าตาร่วงเพราะเรานี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเมื่อเราคิดได้ดังนั้นจึงตัดสินใจในทันทีว่าเอาทำไมจะบวชไม่ได้ตายก็ตายไปสิ เมอบวชกันมาไม่เห็นมีใครตายพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกให้บวชจนถึงวันตายหรือบอกให้บวชถึงหนึ่งปีสองปีแล้วทําไมถึงจะบวชไม่ได้ละ่ะเราก็คนคนหนึ่งแท้ๆเราต้องบวชเมื่อพิจารณาเป็นที่ลงใจแล้วจินได้มาบอกกับแม่ว่าเรื่องการบวชจะบวชให้แต่ว่าใครจะมาบังคับไม่ให้สึกไม่ได้นะบวชแล้วจะสึกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผู้เป็นแม่ย่อมฉลาดกว่าลูกจึงกล่าวขึ้นว่า โหลูกแม่ไม่ว่าหรอกขอให้ลูกไปบวชให้มาเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วสึกออกมาทั้งทั้งที่คนไปงานบวชยังไม่กลับบ้านก็ตามสึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆนั้นแม่ก็ไม่ว่าเ็ราใครเล่าจะเป็นพระหน้าด้านมาสึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆไม่บวชซะเลยมันยังจะดีกว่าลุงตามหาบัวญนสัมปนโณ เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเพราะความรักเป็นของสำคัญมากความรักอันเกิดจากเลือดในหัว อ, อกของตัวเองรวมแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นความรักถ้าจะเรียกว่าลูกคือก้อนแห่งรักของพ่อของแม่ทุกคนก็ไม่น่าจะผิดไม่ว่าคนมีคนจนเศรษฐีรุมทีอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามย่อมถือสมบัติคือลูกของตัวเองแต่ละคนละคนนี้เป็นสิ่งที่รักมากที่สุด สละชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในหัวใจของพ่อแม่เลยเพราะความรักบุตรซึ่งออกจากเลือดในหัวอกของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างสรุปความลงว่าการที่เราได้บวชนี้ก็เป็นเพราะพ่อแม่รักที่สุดลูกทุกๆคนท่านเลี้ยงอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่ารักอย่างไรบ้างพิจารณาเอาทุกคนรักออกมาจากหัวตับหัวปอดของพ่อของแม่เอามาให้ลูก ไม่เสียดายอะไรทั้งหมดแม้ชีวิตจิตใจมอบให้ลูกหมดเลยนี่จึงเรียกว่าความรัก